วันนี้เป็นวันพระเป็นวันพิเศษเป็นวันที่เราจะมาทำอะไรให้กับตัวเราเพื่อให้ตัวเราเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเป็นพระขึ้นมาเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระอริยสงสารกถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอน เราจะไม่รู้จักตัวเราเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราจะไม่เมื่อเราไม่รู้จักว่าเราเป็นใครหรือไปรู้ไปเข้าใจผิดไปเข้าใจผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเราก็จะทุ่มเทการกระทำต่างๆให้แก่ร่างกายของเรา เพราะว่าเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเราก็เลยต้องดูแลมันให้ดีอย่างเต็มที่นอกจากดูแลร่างกายแล้วเรายังไปดูแลรับใช้ข้าศึกศัตรูของเราโดยไม่รู้สึกตัวใครคือข้าศึกศัตรูของเราก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่าง ที่พวกเราไปคอยรับใช้มันอยู่ตลอดเวลามันอยากจะดูก็พามันไปดูมันอยากจะฟังอะไรก็พามันไปฟังมันอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรก็ทำตามที่มันสั่งโดยที่ไม่รู้ว่าเราก ำ, ากำลังรับใช้ข้าศึกซัจรูเพราะเวลาที่เราทุกเวลาที่เราเสียใจ เวลาที่เราร้องห่มร้องไห้เราไม่รู้ว่าเกิดจากใครก็เกิดจากข้าศึกศัตรูของพวกเรานี้แหละเกิดจากกิเลสตัณหาตัวที่คอยทำให้เราต้องมาวุ่นวายใจเสียใจเดือดเนื้อร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวล หวาดกลัวไปตลอดเวลาอันนี้เป็นผลงานของข้าศึกสัตรูของพวกเราคือความโลภความอยากต่างๆความโกรธความหลงแต่เรากลับไปคิดว่ามันเป็นมิตรกับเราเราจึงคอยรับใช้มันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งสั่งสอนพวกเราให้พวกเรานี่ มารับใช้ตัวเราเองมาดูแลตัวเราเองให้หยุดดูแลรับใช้ร่างกายหยุดดูแลรับใช้กิเลส ต, ตัณหาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับตัวเราให้เรามาดูแลตัวเราตัวเราคือใครตัวเราไม่ใช่ร่างกาย ตัวเราไม่ใช่กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆตัวเราคือผู้รู้ผู้คิดนี่แหละคือตัวเราผู้ที่ทุกขผู้ที่สุขนี่ก็คือตัวเราผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับพวกเราก็คือตัวกิเลสตัณหาผู้ที่จะสร้างความสุขให้กับพวกเราก็คือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าะ นี่แหละเราจรึงต้องมีวันพระกันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราหยุดรับใช้ร่างกายหนึ่งวันหยุดรับใช้ข่าศึกสัตว์ของเราหนึ่งวันคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆแล้วให้มารับใช้ตัวเราเองด้วยการให้ธรรมะแก่เรา เอาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ใจพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทําบุญสอนให้พวกเรารักษาศีลสอนให้พวกเราภาวนาทําจิตใจให้สงบสอนให้พวกเราฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมา ธรรมะเหล่านี้แหละเป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขใจไม่ใช่กิเลสตัณหาไม่ใช่ร่างกายแต่ร่างกายนี้เราถือว่าไม่ได้เป็นศัตรูแต่เป็นคนรับใช้เราแต่เราไม่รู้เราไปคิดว่าร่างกายเป็นเราถ้าเราไม่ได้มา ศึกษาจากพระพุทธจากพระธรรมหรือจากพระสงฆ์เราจะไม่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นคนรับใช้เราเราเป็นเจ้านายของร่างกายแต่เราไปหลงผิดไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเรา เ, เราก็เลยรับแล้วก็หวงแล้วก็ดูแลคนใช้ของเราดีกว่าดูแลตัวเราเอง ตัวเราเองนี้เราแทบจะไม่ได้ดูแลเลยเพราะเราไม่รู้ว่าตัวเราเองนั้นเป็นใครเราไปคิดว่าตัวเราเป็นร่างกายเราก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการดูแลร่างกายเลียงดูร่างกายอย่างดีอิ่มมีพิมันส่วนตัวเรานี้ผอมแห้งก็ผอมกระหลงกระแลง เหมือนคนไม่ได้กินข้าวมาหลายวันใจของเรานี่ผอมโซหิวหวยไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เพราะเราไม่ให้อาหารกับใจเราเรามัวไปให้อาหารกับร่างกายแล้วก็ไปให้อาหารกับข้าศึกศัตรูของพวกเราคือความอยากต่างๆความโลภต่างๆ เวลาความโลภความอยากมันต้องการอะไรเรารีบวิ่งไปจัดการให้มันรับใช้มันอย่างรวดเร็วมันอยากจะดูอะไรรีบไปหาให้มันดูมันอยากจะฟังอะไรรีบไปหาให้มันฟังมันอยากจะได้อะไรรีบไปหาให้มันตลอดเวลาเราไม่เคยมารับใช้ตัวเราเองเลยไม่เคยมาดูแลตัวเราเองเลย พอเราไม่รู้ว่าตัวเราเองนี่ไม่ใช่เป็นร่างกายตัวเราเป็นใจเราก็เลยไม่สนใจเรื่องของเราไปสนใจเรื่องที่ไม่ใช่เป็นของเราคือไปสนใจที่ร่างกายเพราะความหลงผิดไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราเลยเลี้ยงดูร่างกายนี้อย่างดีเลย ส่วนใจเหล่านี้ไม่ได้เลี้ยงดูเลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนนี่พวกเราจะไม่ได้ดูแลจิตใจของเราเลยมีแต่จะดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลข่าศึกศัตรูของเราคือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆความโกรธความหลงต่างๆวันนี้พระพุทธเจ้าเลยต้องบอกให้พวกเราหยุดหนึ่งวัน หยุดไปหยุดการไปรับใช้ร่างกายของเราหยุดไปรับใช้ขาศึกษัตรูของเราคือความอยากต่างๆแล้วให้มาดูแลจิตใจของเราดูแลตัวเราด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบ ด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะนี่คือวิธีที่จะทำให้ใจเราอิ่มมีพีมันมีความสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้านี่เราจะมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราเห็นกิเลสตัณหาว่าเป็นมิตรของเราที่เราจะต้องคอยดูแลคอยรับใช้แต่เราไม่รู้ว่ากิเลสตัณหานี่แหละเป็น้าสศึกศัตรูของเราเพราะผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับเร่านี้ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือกิเลสตัณหานี่เอง กิเลสนี่แหละที่ทำให้เราร้องห่มร้องไห้ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เราว้าวุ่นขุนมัวทำให้เราฟุ้งซ่านทำให้เราซึมเศร้าทำให้เราเศร้าซ้อยหง้อยเหงาว้าเหวไม่ได้เกิดจากไข่เกิดจากกิเลสตัณหาทั้งนั้นะ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าตอนต่อไปนี้อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันเราควรที่จะมาหัดดูแลตัวเราแล้วก็หัดหยุดดูแลร่างกายและค่าศึกษตรูของเราร่างกายของเรานี่ดูแลมันให้มันพออยู่ได้ก็พอ มันสมฐานะกับของหมัน่นมันเป็นคนใช้เราเราเลี้ยงคนใช้เราเหมือนกับเราเลี้ยงเราหรือเปล่าเราให้มันอยู่แบบเราอยู่หรือเปล่าเราให้เขากินแบบเรากินหรือเปล่า them like them. เราให้รถเขาใช้เหมือนกับเราใช้รถของเราหรือเปล่าเราไม่เราแยกคนใช้เหล่านี้เราไม่ได้ให้เขาดิบดีอะไรเท่ากับเรา เราให้เขาพอให้เขาอยู่ได้เขาพอเพื่อให้เขาได้มาทำหน้าที่รับใช้เราก็พอแต่เราจะไม่เลี้ยงเขาเหมือนเขาเป็นเจ้านายของเราแต่ทุกวันนี้พวกเราหลงผิดกันไปเห็นร่างกายว่าเป็นเราเป็นเจ้านายของเราเราเลยเลี้ยงมันอย่างดีดีส่วนตัวเรานี่เรากลับไม่เลี้ยงดูเลยกับ ทอดทิ้งยิ่งกว่าคนใช้เสียอีกคนใช้เรายังให้มันพออยู่พอกินได้แต่เรานี่กลับไม่มาเลี้ยงดูตัวเราเลยปล่อยให้ผอแมแห้งแรงน้อยปล่อยให้ข้าศึกศัตรูมาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธ ก็ทำหรือพระสองนี่เราจะต้องรับใช้ข่าศึกศัตรูของเราไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราจะรับใช้ร่างกายของเราเหมือนกับเป็นตัวเราเหมือนกับเป็นเจ้านายของเราไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายไปพอมันตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่มารับใช้ต่ออีก ไม่ใช่ว่าเราจะหยุดนับใช้ร่างกายเราหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วหลังจากร่างกายของเราที่เรามีอยู่ตอนนี้ตายไปแล้วเราก็ยังจะไปหาร่างกายอันใหม่มารับใช้อีกเพราะเราต้องการใช้ร่างกายพาให้เราไปทำอะไรต่างๆไปหาความสุขต่างๆเราก็เลย ต้องหาคนรับใช้ใหม่เหมือนกับเวลาที่เรามีคนรับใช้ที่บ้านให้เขาช่วยซักผ้าช่วยทำอาหารช่วยกวาดบ้านถูบ้านช่วยเฝ้าบ้านเวลาเขาลาออกไปเราก็ต้องไปหาคนใช้ใหม่มารับใช้เราต่อแต่เราเ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะดูแลบ้านทำอะไรได้ด้วยตัวเองเพราะเราไม่หัดทำกันเราเลยต้องพึ่งคนใช้ฉันใดร่างกายก็เหมือนกันเราอาศัยร่างกายให้หาความสุขต่างๆให้กับเราด้วยการทำตามความต้องการของข้าศึกษัตรูของพวกเรา วิธีหาความสุขของเรานี้เป็นวิธีที่ชักศึกเข้าบ้านพูดง่ายๆให้ข้าศึกศักตรูเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะมาทำลายเราทำร้ายเราเวลาเราอยากจะมีความสุขนี่เราเปิดประตูแล้วความอยากนี่คือข่าศึกของเรานะความอยากไปเที่ยวอยากไปหาความสุข ทางตาหูจมูกนิ้นกายความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากกล้ามอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีหน้ามีตาอยากให้เขายกย่องสรรเสริญเยืนยออันนี้เป็นการเปิดสึบเข้าบ้านโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเรากาลังเชิญให้ข้าศักดิรูมา หาเรานั่นเองมาพาเราไปหาความสุขแต่มันเป็นความสุขปลอมที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปการที่เราปล่อยให้เราทําอะไรตามความอยากต่างๆนี้ไม่ได้เป็นการไปหาความสุขหรอกเ ป, เป็นการไปหาความทุกข์โดยที่เราไม่รู้สึกตัว พอเวลาที่เราไปทําตามความอยากในเบื้องต้นเราจะมีความสุขกันเวลาเราไปเที่ยวเราก็มีความสุขกันเวลาเราอยากจะทำอะไรพอเราได้ทำแล้วเราก็มีความสุขกันเวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้มาแล้วเราก็จะมีความสุขกันเราก็เลยคิดว่าความสุขนี้เป็นมิตรที่ดีของเรา เป็นผู้พาเราไปหาความสุขต่างๆให้กับเราแต่เราไม่ได้มองตอนที่เวลาที่เราอยากแล้วเราไม่ได้ว่ามันจะเป็นอย่างไงหรือเวลาที่เราเสียสิ่งที่เราอยากได้มาแล้วเป็นอย่างไร เ, ออเวลาที่เราเ อ, อ, อยากได้แฟนพอเราได้แฟนเราก็ดีใจมีความสุข เวลาที่เราเสียแฟนไปนี้เป็นอย่างไรเวลาแฟนเขาตายจากเราไปเวลาแฟนเขาเลิกกับเราเวลาแฟนเขาทิ้งเราเวลาแฟนเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเขาไปมีคนเขาไปแอบมีคนอื่นทีนี้เราจะรู้สึกอย่างไรเราจะมีความสุขหรือไม่หรือมีความทุกข์นี่แหละคือความทุกข์ ที่จะตามมาหลังจากที่เราได้รับความสุขจากการทำตามความอยากต่างๆเพราะความสุขที่เราได้หรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเดี๋ยวมันจะหมดไปเวลามันหมดไปแล้วนี้มันก็จะปล่อยทิ้งให้เราเคว้งคว้างไม่มีอะไรเกาะไม่มีอะไรยึดให้เรารู้สึกเศร้าโศงโหงเหงาเหงาว่าวี เสีย อ, อกเสียใจเหลือแค้น อ, อกแค้นใจโกรธเกลียดขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขากลิ่เป็นเขาไม่ได้ให้ความสุขกับเราแล้วเขากลับมาให้ความทุกข์กับเราด้วยการกระทําที่เปลี่ยนไปนี่คือผลที่จะตามมา ถ้าเราไปทำตามความอยากต่างๆเพราะเมื่อเราทำแล้วมันจะติดเราจะต้องทำไปเรื่อยๆเราจะต้องมีเวลาที่เราจะไม่สามารถทำตามความอยากได้หรือสูญเสียของที่เราได้มาด้วยความอยากไปเวลานั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่เรามองไม่เห็นกันเพราะมันไกลเกินไป เรามองพวกเราเป็นพวกสายตาสั้นไม่ใช่สายตายาวเห็นแต่ระยะสั้นๆใกล้ๆเห็นประโยชน์ที่ใกล้มือแต่ไม่เห็นโทษที่จะตามมาเพราะมันอยู่ยังอยู่ห่างไกลและยังไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เราเลยมองไม่เห็นภัยไม่เห็นโทษ ของการไปทำตามความอยากต่างๆเราดึงต้องมาอาศัยคนที่เห็นพิษเห็นภัยของความอยากของกิเลสตัณหาให้มาสอนให้มาเตือนเราเหมือนกับเวลาเราขับรถเดินทางเวลาทางถนนที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นอันตรายนี้เราจะไม่รู้เราต้องอาศัยป้ายบอกทางคอยเตือนเรา เราจะมีป้ายเขียนไว้ว่าระวังอันตรายทางทางข้างหน้าคดเคี้ยวให้ชะลอความเร็วลงหรือข้างหน้ามีอุบัติเหตุอย่าต้องขับรถ ด, ด้วยความอระมัสระวังและต้องลดความเร็วลงถ้าไม่มีป้ายมาบอกมาเขียนมาเตือนเรา เราก็วิ่งมาเต็มที่พอถึงที่ที่เกิดเหตุเราก็อาจจะหยุดไม่ทันทําให้เกิดเหตุได้เนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนพระอริยะสงสาร ก, ก็เป็นเหมือนผู้ที่จะมาเตือนภัยให้กับเราให้เรารู้ล่วงหน้าก่อนว่าข้างหน้ามีอันตราย ถ้าจะไปก็ต้องไปอย่างระมัดระวังถ้าเปลี่ยนทิศได้เปลี่ยนทางได้ก็เปลี่ยนทางดีกว่าอย่าไปทางข้างหน้ามีแต่ภัยอันตรายต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระอริยสงสารโลกต้องมาคอยเตือนมาคอยบอกเราว่าอย่าไปทําตามความอยาก อย่าไปทำตามความโลภความโกรธความหลงเพราะว่ามันจะสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเป็นอันตรายต่อจิตใจของเราต่อตัวเราเพราะจิตใจก็คือตัวเรานี่เองถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยเตือนคอยบอกเราเราก็จะ พุ่งตรงไปหาภัยอย่างไม่รู้สึกตัวพอเจอภัยแล้วก็แก้ไม่ทันหยุดไม่ทันถอนไม่ออกก็จะต้องทุกทรมานไปกับมันอย่างคนที่ติดยาเสพติดติดสุรายาเมาเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ฟังคำเตือนคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นภัยมันเป็นอันตราย อย่าไปทางนั้นอย่าไปยุ่งกับอบายามุกอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดอย่าไปยุ่งกับสุรายาเมาเพราะถ้าเข้าไปแล้วมันติดติดแล้วมันออกไม่ได้คนติดยานี่ยอมตายยอมตายดีกว่ายอมอดยาเพราะเวลามันอดยานี่มันทรมานยิ่งกว่าความตาย มันถึงยอมตายกันดัะนมันก็ตายกันพวกที่ติดยานี่ส่วนใหญ่ก็ตายกันเท่านั้นเพราะหยุดไม่ได้พวกติดสุรายาเมาก็เหมือนกันติดบ้างก็เลิกไม่ได้ยอมตายนี่คือปัญหาถ้าไม่บอก่วงหน้าก็จะแก้ไม่ทันแต่บอกก็มักจะไม่เชื่อกัน สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นออพอไปเห็นกับตามันก็เสียหายเสียแล้วออกระโดดเข้าไปในกองไฟแล้วออไม่มีกำลังที่จะกระโดดออกมาได้ออก็จะถูกกองไฟมันเผาผลาญไปนี่แหละคือทำไมเราจึงต้องเข้าวัดกันเพื่อที่เราจะได้เข้ามาฟังคำเตือนของพระพุทธเจ้า ให้เราระวังภัยที่จะตามมาจากการกระทาของพวกเราให้เราเปลี่ยนทิศทางของการกระทาอย่าทำแบบที่เรากำลังทำกันอยู่ให้มาทำแบบที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ทำให้เรามาทาบุญทำทานกันแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวกันเอาเงินไปซื้อความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายกันให้เอาเงินมาซื้อความสุขทางใจดีกว่าการทำบุญทำทานนี้เป็นการซื้อความสุขทางใจไม่ต้องผ่านทางร่างกายเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นเพราะเป็นความสุขที่ไม่ทำให้เราติดเป็นความสุขที่ทำให้เราอิ่ม เป็นความสุขที่ทำให้เราพอถ้าเราไปซื้อความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายเช่นไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จำเป็นต่างๆมันจะทำให้เราติดจะทำให้เราไม่พอเพราะว่ามันเป็นความสุขแป๊บเดียวไม่ได้ทำให้เราอิ่ม เหมือนกับความสุขที่ได้จากการทําบุญอพอเราเที่ยวแล้วก็จะติดก็จะต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้เที่ยวก็จะทุกข์เวลาเราเคอยซื้อของอะไรต่างๆตามที่เราอยากจะซื้อซื้อแล้วติดเพราะเวลาซื้อก็สุขสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความสุขที่ได้จากการซื้อของที่เราอยากได้ก็หายไป ก็ทําให้เราอยากจะซื้อใหม่อยากจะได้ความสุขใหม่ก็ต้องคอยซื้ออยู่เรื่อยๆเหมือนติดเหมือนติดสุราเหมือนติดยาเสพติดเพียงแต่ว่ามันไม่ร้ายแรงเหมือนกับยาเสพติดไม่เหมือนไม่ร้ายแรงเหมือนกับสุรายาเมามันยังไม่ได้ทําร้ายร่างกายมันเพียงแต่ทําให้จิตใจนีอ่่ไไมมสุข่ไม่ไมสุขไม่สบายใจ เวลาที่อยากเราไม่ได้ทําตามความอยากแต่ถ้าเอาเงินมาทําบุญทําทานนี่มันจะทําให้อิ่มมันจะไม่ทําให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะทําให้เราไม่อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่อยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะการทาบุญทําทานนี่เป็นอาหารของใจ การท้าใจเราไม่ได้ทําบุญทําทานใจเราจะหิวหิวกับความสุขทางตาหูจมูกมืนกายเพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจกันเเราจึงต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์มาสอนเราถ้าเราจะใช้เงินซื้อความสุขให้ซื้อความสุขแท้อย่าไปซื้อความสุขปลอมะ ความสุขแท้ก็คือความสุขที่เกิดจากการทำบุญทำทาน อ, อ, อย่าไปซื้อความสุขจากการไปทำตามความอยากต่างๆไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้ทั้งๆที่ไม่จำเป็นอย่าต้องซื้อต้องมีออได้ความสุขเดียวเดียวเหมือนความสุขที่ได้จากการเสพยาเวลาได้เสพยาก็สุขเดี๋ยวสักพักหนึ่งความสุขที่ได้จากการเสพยาก็หายไป ก็จะเกิดความหิวอยากจะเสพใหม่ขึ้นมาแต่การทำบุญนี้จะไม่มีความหิวทำแล้วอิ่มทำแล้วพอทำแล้วสบายใจมีความสุขใจพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเปลี่ยนวิธีอย่าไปดูแลข้าศึกษัตรูการไปทำตามความอยากนี้จะเหมือนเปิด เปิดประตูให้ข้าศึกศัตรูเข้ามาทำลายเราถ้าเรามีโจรผู้ร้ายเราอยากจะให้เข้ามาอยู่ในบ้านเราหรือไม่เราไม่ต้องการให้คนที่เป็นพิษเป็นภัยกับเราเข้ามาอยู่ในบ้านเราแต่เราไม่รู้ปัญหาเรากลับไปเห็นข้าศึกศัตรูของเราว่าเป็นมิตรเสียไม่เห็นกิเลสตัณหาความโลภความอยากเป็นมิตรกับเราเราเลยเปิดประตู ต้อนรับมันอย่างเต็มที่พอมันเข้ามาในบ้านคือเข้ามาในใจแล้วแล้วทีนี้มันก็มาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราแล้วนะทุกวันนี้ถ้าเราที่เราวุ่นวายใจกันนหวุ่นวายเพราะอะไรก็วุ่นวายเพราะความอยากของเรานี่แหละอยากได้นั่นอยากมีนี่พอไม่ได้ก็วุ่นวายใจพอได้ก็ดีใจเดียวเดียวเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีก ความอยากนี้มันไม่มีวันหมดตราบใดที่เราไม่หยุดทำตามความอยากมันจะไม่หมดถ้าเราทำตามความอยากมันจะทำให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเป็นการขยายพันธุ์มันทุกครั้งที่มันอยากแล้วเราทำตามความอยากความอยากมันจะมีเพิ่มขึ้นมาเหมือนมีลูกออกมามาอยากต่อ อยากเที่ยวแล้วเดี๋ยวก็อยากกินอยากกินแล้วก็อยากดื่มอยากดื่มแล้วก็อยากดูอยากดูแล้วก็อยากฟังอยากฟังแล้วก็อยากจะจับโน่นจับนี่เดี๋วเดี๋ยว่ากลับมาเริ่มต้นที่ใหม่ที่เก่าใหม่วนไปอย่างเนี้ยวนไปเวียนมากับ ความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวก็อยากทางตาเดี๋ยวก็อยากทางหูเดี๋ยวก็อยากทางลิ้นอยากทางจมูกเดี๋ยวก็อยากทางกายสลับกันไปสลับกันมาออแล้วถ้าต่อไปเกิดร่างกายเป็นอะไรไปไม่สามารถทำตามความอยากได้ทีนี้เกิดเรื่อมมาสออิอยู่ไม่เป็นสุขนะอยู่อย่างทุกข์ทรมานใจ อยู่อย่างว้าเหวอยู่อย่างซึมเศร้าเพราะไม่สามารถทาตามความอยากได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาหัดหยุดการทําตามความอยากขั้นแรกก็คือการใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขตามความอยากอยากไปซื้อเช่นวันนี้อยากจะไปเที่ยวอยากไปเที่ยววันนี้อยากจะไปดูหนังฟังเพลงอยากไปดู แทนที่จะเอาเงินไปใช้กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เอามาทำบุญทาทานแทนทำที่ไหนก็ได้ผลเหมือนกันสำหรับผู้ให้นี้ทำกับใครเหมือนกันเพราะว่าเป็นเป็นการรับประทานอาหารจะรับประทานอาหารที่ร้านไหนก็อิ่มเหมือนกันรับประทานที่วัดก็อิ่มรับประทานที่บ้านก็อิ่ม รับประทานที่ล้านอาหารก็อิ่มชั้นใดการทําทานเพื่อให้มีความสุขใจอิ่มใจนี้ทํากับใครได้หมดเหมือนกันผลเหมือนกันทํากับพระก็ได้ผลเหมือนกันทํากับโรงพยาบาลก็ได้ผลเหมือนกันทํากับโรงเรียนก็ได้ผลเหมือนกันทํากับพ่อกับแม่ก็ได้ผลเหมือนกันทํากับพี่กับน้องทํากับญาติมิตร ก็ได้ผลเหมือนกันนี่คือการห า, หาความสุขด้วยการใช้เงินทองอย่าไปใช้เงินทองตามความอยากอย่าไปใช้ตามความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายเพราะมันเป็นการเมื่อไปซื้อยาเสพติดมาเสพมันจะไม่อิบมันจะไม่พอมันจะหิวจะโหยอยู่เรื่อยแต่ถ้า ใช้เงินไปกับการทำบุญทำทานนี่มันจะไม่ติดมันจะไม่หิวไม่หดเวลาไม่มีเงินทำบุญก็ไม่เดือดร้อนจะไม่รู้สึกทุกข์จากเวลาที่เราไม่ได้มีเงินทำบุญมีเราก็ทำไม่มีเราก็ไม่ทำเพราะว่านอกจากวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขจากการทำบุญแล้วเรายังสามารถทำใจให้เรามีความสุข เมขึ้นได้ด้วยการไม่ต้องใช้เงินทำบุญถ้าเราไม่มีเงินทำบุญเราก็มาทำใจเราให้สงบเราก็จะได้บุญได้ความสุขมากยิ่งกว่าการใช้เงินไปทำบุญทำทานการหาความสุขทางใจนี้มีสองระดับถ้าเรายังต้องใช้เงินก็ใช้เงินไปทำบุญทาทานถ้าเราหมดเงินก็มาอยู่ วัดมาถือศีลแปดมาฝึกนั่งสมาธิทาใจให้สงบวิธีนี้ไม่ต้องใช้เงินคนที่ไม่มีเงินทำบุญทำทานก็สามารถมาสร้างความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานเสี ย, สยด้วยซ้ำไปก็คือวิธีรักษาศีลแปดวิธีนั่งสมาธิวิธีฟังเทศฟังธรรม นี่คือวิธีที่พระเจ้าสอนให้เราทำกันในวันพระนี้ให้เราหยุดการหาความสุขทางความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วให้เรามาหาความสุขทางใจกันถ้าเราอยากจะใช้เงินก็เอาเงินไปทำบุญทำทานถ้าเราไม่มีเงินทำบุญเราก็ มาถือศีลแปดแล้วมาหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมเพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไม่ต้องไปทำอะไรให้เหนื่อยเปล่าๆ ความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าได้ท่งคนพบนี่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ร่างกาย <Yeah. S 1> ไม่มีร่างกายก็สามารถมีความสุขได้ดีกว่ามีร่างกายเสีย อ, อีกเพราะมีร่างกายแล้วก็ต้องแบกภาระของร่างกายต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เรายังต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่มีร่างกายไม่ใช้ร่างกายได้ยิ่งดีใหญเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีเงินขอให้เรามีเวลาอย่างวันพระนี้ใหเราหยุดการไปทำงานทาการหยุดไปทาอะไรต่างๆ สมัยนี้เราอาจจะต้องปรับวันพระมันใหม่เพราะว่าวันพระของสมัยโบราณนี้เป็นวันหยุดกันเออสมัยโบราณเขาจะหยุดทํางานวันพระวันโกนกันเอแต่สมัยปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนวันหยุดจากวันพระวันโกนมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่าโลกเรามันกลม โลกเราเดี๋ยวนี้มันติดต่อกันเชื่อมต่อกันโลกของเมืองนอกเขาหยุดทำงานวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเรามาหยุดทำงานวันวันพระวันกรวันที่เขาทำงานเดี๋ยวก็ทำงานติดต่อกันไม่ได้เช่นวันพระอาทิตย์นี้ตรงกับวันอะไรวันศุกร์ถ้าเราถ้าประเทศไทยเราถือวันหยุดเป็นวันพระวันนี้ก็ต้องหยุด ถ้าเราหยุดเราก็ไปติดต่อกับต่างประเทศไม่ได้จะโอนเงินไปสู่ประเทศนั้นประเทศนี้ก็ไม่ได้เพราะวันนี้เป็นวันหยุดธนาคารปิดองนี้มันเลยไม่สะดวกเขาเลยต้องเปลี่ยนวันหยุดทำงานมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อให้มันตรงกับต่างประเทศเขาเพราะเราเดี๋ยวนี้ทามาค้าขายกับต่างประเทศ ถ้าวันหยุดไม่ตรงกันวันทำงานไม่ตรงกันนี่คิดดูเสว่ามันจะยุ่งขนาดไหนจะทำงานกันได้ไม่กี่วันจะติดต่อเขาได้ไม่กี่วันเช่นถ้าอาทิตย์นี้วันโกนวันวันพระเป็นวันพระรหัสกับวันศุกร์เราหยุดวันพระรหัสกับวันศุกร์หยุดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็เหลือแค่สามวันที่จะติดต่อกันได้ติดต่อกันแค่วันจันทร์อังคารพุธนี่อันนี้ เราจรึงต้องมาปรับตัวเราเองใหม่เราต้องเปลี่ยนวันพระให้มันทันสมัยอย่าไปถือตามวันพระแบบโบราณเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเป้าหมายของของการกำหนดวันพระของพระพุทธเจ้าการกำหนดวันพระของพระพุทธเจ้านี้กำหนดเพื่อให้เร า, เามีเวลาวันหยุดให้เราได้หยุดการทำงานแล้วจะได้มีเวลามาวัดนั่นเอง ดังนั้นต่อไปนี้พวกเราอาจจะต้องเปลี่ยนวันพระกันเองอถ้าวัดไม่เปลี่ยนวันพระเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระอคือเอาวันที่เราหยุดทํางานนี้เป็นวันพระสมัยนี้ญาติโยมที่มาวัดยาหนี้เขารู้กันเวลาเขาจะมาวัดเดี๋ยวนี้เขามาวันวันเสาร์วันอาทิตย์กันได้เพราะที่วัดยาหนี้ มีการเทศมีการแสดงธรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์เหมือนกับวันพร ะ, ะสามารถมาทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมได้เหมือนกับวันพระแต่วัดอื่นนี้เขาไม่ถ้าไม่เป็นวันพระไปวัดเขาไม่มีการทำบุญที่วัดไม่มีการเทศเขาจะมีแต่เฉพาะวันพระญาติโยมที่หยุดเสาร์อาทิตย์ ถ้าวันพระไม่ตรงกับสาวที่เขาไปวัดนั้นไปวัดที่เขาไม่มีกิจกรรมไม่มีการทำบุญทำทานใส่บาตรไม่มีการเทศนาว่ากล่าวเขาก็ไปได้ไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาปรับปรุงให้มันทันสมัยเพราะคำว่าวันพระที่แท้จริงก็คือวันหยุดทำงานเข้าใจไหมวันพระนี้คือวันหยุดทำงาน ให้เราเอาวันหยุดทำงานนี้มาทาหน้าที่ดูแลตัวเราบ้างตลอดระยะเวลาหกเจ็ดวันที่ผ่านมานี้เราโมแต่ไปดูแลคนรับใช้เราคือร่างกายแล้วก็ไปรับใช้ศัตรูของพวกเราคือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆใจของเราจึงมีแต่ความวุ่นวายไม่ค่อยมีความสุขเลย ถึงแม้จะมีเงินทองมากมายก่ายกองมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมีรถเป็นสิบสิบคันมีอะไรเยอะแยะไปหมดในบ้านในช่องมีบ้านสองสามหลังมีเสื้อผ้าล้นตู้บางคนนี้ต้องใช้ห้องท่องเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าเพราะตู้เก็บเสื้อผ้ามาไม่พอเพอาะ เพราะมีความสามารถที่จะซื้อเสื้อผ้าได้เยอะแยะดูเสื้อผ้าในห้องนี้ที่ก็ททำไว้ให้เก็บเสื้อผ้ามันเล็กเกินไปก็เลยทำห้องนอนให้มันเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าไปเลยเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะแต่ความสุขเป็นยังไงมีไหมก็เหมือนเดิมมีเสื้อผ้ามากเสื้อผ้าน้อย ความทุกข์ความวุ่นวายใจก็มีเหมือนเดิมไม่ได้ลดน้อยถอยไปจากการที่มีข้าวของเงินทองมากขึ้นแต่อย่างใดเพราะว่าเหตุที่ทําให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากหรือมีน้อยมีสมบัติข้าวของเงินทองมากหรือมีน้อยแต่อยู่ที่ว่ามีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยมีตัณหามากหรือตัณหาน้อย ไอ้ตัวนี้ต่างหากที่ทำให้เราวุ่นวายใจกันยิ่งหาเงินได้มากกิเลสตัณหามันก็ยิ่งมากขึ้นความอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็จะมีมากขึ้นไม่ได้น้อยตรงเนี่ยคนที่มีเงินน้อยขอทานนี้มันกิเลสตัณหามันน้อยเพราะว่ามีมันก็ไม่สามารถหามาได้ก็พวกคนขอทานนี้เชื่อไหม เราคิดว่าเขาสบายใจกว่าคนที่มีเงินมีทองเป็นสิบล้านร้อยล้านเพราะเขาไม่สามารถมีความอยากเหมือนกับคนที่มีเงินทองสิบล้านร้อยล้านได้คนขอทานถึงแม้จะมีความอยากมันก็อยากไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรอยากได้รถเก๋งก็อยากไปอย่างนั้นอยากไปแบบเป็นแค่เป็นความฝันเท่านั้นเอง แต่คนที่มีร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันจะอยากได้นู่นได้นี่มากแล้วพอได้มาแล้วก็ต้องวุ่นวายกับการดูแลรักษาบางคนมีโกดังเก็บรถเลยเสร็จีอาลับนี่บางคนชอบรถเห็นรถรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยซื้อซื้อซื้อซื้อแล้วก็ไปสร้างโกดังเก็บรถเอาไว้ตัวเองก็ไม่ได้ขับ ต้องจ้างคนขับให้มาขับเวียนไปเวียนมาพอจอดทิ้งไว้เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็เสียแต่ชอบอยากได้มีเงินซื้อก็ต้องซื้อพอถ้าไม่ซื้อแล้วกระเป๋ามันร้อนกระเป๋ามันจะลุกเป็นไฟขึ้นมาต้องเอาเงินที่อยู่ในกระเป๋าออกไปมันถึงจะเย็น<ม>นี่คือความทุกข์ความวุ่นวายใจจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้ามีกําลังซื้อมากขึ้นเท่าไหร่ถ้ามีกําลังที่จะตอบตอบความต้องการของกิเลสตัณหามากเท่าไหร่กิเลสตัณหาก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นเชื่อไหมก็ดูตอนนี้เราเป็นเด็กๆ เ, เราอยากจะได้วันละกี่บาทกันไปโรงเรียนนี้ว่าแม่ให้วันละยี่สิบบาทก็ดีใจแล้วไปซื้อขนมซื้ออาหารกลางวันได้ก็พอใจแล้วเดี๋ยวนี้วันละยี่สิบาทพอไหม เดี๋ยวนี้มีกําลังหาได้มากกว่า20บาทนะ20บาทก็เลยไม่พอรัฐาว่าอนาคตถ้ามีกําลังหาได้มากกว่านี้เอก็จะไม่พออีเองมันจะความอยากความที่จะต้องการซื้อของต่างๆมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความวุ่นวายใจก็ต้องมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ เอบางทีอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธบางทีเสียใจออแล้วได้สิ่งที่เรามาแล้วเกิดมันจากเราไปก็เสียใจอีกมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราไปทําตามความอยากทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นอยากตั้งแต่ยังไม่มีก็ทุกข์แล้วพออยากได้ใจก็ทุกข์ล้ใจก็ร้อนขึ้นมาแล้ว คนที่ขับรถไปไหนมาไหนเร็วๆ เ, เพราะอะไรเพราะใจร้อนใช่ไหมเพราะอยากจะไปถึงที่นั่นเร็วๆเนี่ยเพราะเกิดความอยากทังนั้นใจมันก็ร้อนอยู่เฉยๆขับรถเฉยๆเย็นๆสบายไม่ได้ต้องขับแบบสวิทสวาร์บ่หน้าคนนั้นปาดหน้าคนนี้แ้วดีไม่ดีก็ไปไม่ถึงที่ไปเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนี่ก็เพราะความอยาก ตั้งแต่เริ่มต้นมันก็เป็นความทุกข์แล้วพออยากได้อะไรขึ้นมาอยากทำอะไรขึ้นมาอยากไปไหนมาไหนขึ้นมานี่อยู่ไม่เป็นสุขละอยู่ไม่ได้ละอยู่ไม่ติดที่ละต้องไปทำสิ่งที่อยากได้แล้วถ้าไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็เสียใจหรือโกรธอีกหรือเออสืมเศร้าผิดหวังเสียอกเสียใจนี่คือ ผลต่างๆที่จะตามมาหากเราปล่อยให้ใจเราไปทําตามความอยากต่างๆ <c oughs> พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามากําจัดความอยากกันในวันพระ <c oughs> ในวันพระนี้เป็นวันที่เรามาหัดกันยังไม่ได้ถือว่าเป็นวันที่จะสามารถกําจัดความอยากให้หมดไปได้ <c oughs> บางคนนี้ต้อง กำจัดทุกวันมันถึง่ะหมดนะแต่เราต้องเริ่มต้นที่วันใดวันหนึ่งก่อนแล้ววันที่เหมาะที่สุดก็คือวันหยุดสมัยนี้เราต้องมาเปลี่ยนวันพรกกันแล้วต้องมาถือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เราหยุดทำงานนี่เป็นวันพระแล้วเราไปทำบุญทาทานกันไปรักษาศีลกัน ไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมกันเดี๋ยวนี้เราสามารถปรับวิธีการเข้าวัดได้วัดไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัดที่มีโบสถ์มีเจดีย์มีพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วสมัยนี้เพราะาคำว่าวัดก็คือสถานที่ที่เราสามารถทำบุญทําทานได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิได้ฟังเทศฟังธรรมได้สถานที่ที่เอื้อต่อการ การทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิก็สถานที่ที่สงบนั่นเองสถานที่ที่ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ดังนั้นถ้าเราสามารถหาที่ไหนเงียบๆอยู่คนเดียวได้สมัยนี้เราสามารถทำสิ่งที่เราสามารถไปทาที่วัดได้ อยากจะฟังทำอย่างนี้มีมือถือก็ฟังได้ไม่มีถ่ายทอดสดก็มีของที่ เ, เก็บเอาไว้ของที่บันทึกไว้จะดูจะฟังก็ได้หรือจะอา่อานอ่านอยากจะอา่านหนังสือธรรมะ ก, ก็เปิดอ่านได้นในในโทรศัพท์มือถื อ, อยันเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือนี่เป็นวัดได้ ทำบุญก็ทําบุญผ่านทางมือถือได้อยากจะทําบุญวัดไหนก็ขอบัญชีของวัดนั้นมาแล้วก็กดตัวเลขเข้าไปกดตัวส่งปั๊บมันก็ถึงแล้วได้ทําบุญใส่บาทนะรักษาศีลเราก็รักษาที่ตัวเราเราไม่ได้เราไม่ได้รักษาที่ไหนเพียงแต่ว่าถ้ารักษาศีลแปดถ้าไปอยู่กับคนที่ไม่เขาเขาไม่ถือศีลแปดมันจะยาก เพราะว่าสิงห์ป่านี้มันจะทําอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาทํากันเช่นมันไม่กินข้าวเย็นนี่ถ้าไปอยู่กับคนที่เ้ากินข้าวเย็นเดี๋ยวเขาก็มาชวนเราไปกินเราไม่กินเขาก็มายื้ออยู่นั่นทำไมไม่กินอย่างรู่นอย่างนี้อดไปทำไมอดแล้วได้อะไร เดี๋ยวเราใจอ่อนก็ทนไม่ไหวเกรงใจเขาเอเกรงใจเขาแล้วเกรงใจกิเลสก็ไม่รู้แต่มันจะหลอกเราว่าเราเกรงใจเขาแต่ความจริงเกรงใจกิเลสมากกว่ากิเลสมันอยากจะกินอยู่แล้วอพอมีช่องท่า น, นั้นมันก็ไปเลยเหมือนชี้โพรงให้กระรอกนะพอชี้โพรงให้กระลอกกระลอกมันก็วิ่งไปเลยนี่ก็เหมือนกันทําไมเราจรึงต้องไปถือศีลทิม คนถือศีลอยู่เหมือนกันเช่นไปอยู่วัดนี่คนถือศีลแปดเหมือนกันตอนเย็นไม่มีใครข้าวเย็นไม่มีใครกินข้าวเย็นนอนเย็นก็ไปโบสถ์ไปไหว้พระสวดมนต์ไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปนั่งสมาธิกันแต่ถ้าวัดเขาไม่มีกิจกรรมเหล่านี้เราก็ต้องหาวัดของเราเองหาที่สงบแล้วเราทาของเราเองก็ได้รักษาศีลเองก็ได้ วายพระสวดมนต์คนเดียวก็ได้ฟังเทศฟังธรรมคนเดียวก็ได้นั่งสมาธิคนเดียวก็ได้ดีซะอีกพระพุทธเจ้าว่าธรรมะนี้จะเจริญง่ายแค่เราอยู่ที่สงบอยู่ที่ไม่มีใครมาวุ่นวายมารบกวนเราเนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสรลู้ในวังใช่ไหมพระพุทธเจ้าตัดสรลู้อยู่โคนต้นโพนั่งอยู่คนเดียวในป่า ไม่มีใครมาลบกวนจิตใจพอการที่จะมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมนี่จะต้องไม่มีอะไรมาลบกวนใจต้องเป็นที่สงบเยี่ยมไม่มีคนวิ่งไปวิ่งมาไม่มีคนร้องส่งเสียงดังสมัยนี้เราต้องตรับนะเปลี่ยนวัดนะเดี๋ยวนี้วัด เราเข้าไปไม่มีสิ่งที่เราอยากจะทำกันจะไปนั่งสมาธิก็ไม่ได้เพราะเดียวบางทีวัดก็จัดงานมีตลาดนัดบ้างหรือบางวัดก็มีงานศพมีงานสวดศพมีงานอะไรต่างๆจะไปรักษาศีลแปลไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมก็ไม่มีให้ฟังไม่มีให้ทำาั้เราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนวิธีอาวัตรกันคำว่าวัดที่แท้จริงคือสถานที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมต่อปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาสถานที่ที่เราทําบุญได้เอเดี๋ยวนี้เราทําบุญได้โดยผ่านมือถือเออทําบุญอยากจะทําบุญกับวัดไหนกับพระรูปไหนก็โอนเงินเข้าบัญชีไปเลยเออก็ได้ทําบุญแล้ว ศีลเราก็ไปรักษาของเราคนเดียวอย่าไปอยู่กับคนที่เขาไม่รักษาศีลเดี๋ยวเขาจะมาชวนเราไปทําอย่างอื่นถ้าเพื่อนใครกินเหล้าร่วมกันเดี๋ยวเวลาเย็นเขาอยากจะกินเหล้าเขาเข้ามาชวนเราถ้าเรามารักษาศีล้วาบอกเรากินไม่ได้เดี๋ยวก็เสียเพื่อนอีกถ้าไม่อยากจะเสียเพื่อนก็ต้องเสียศีลเสียศีลก็เลยไม่ได้รักษาศีลต้องไปกินเหล้า ก, กับเพื่อน มันก็เลยจะไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับจิตใจแทนที่จะทำประโยชน์ให้กับจิตใจก็กลับไปทำประโยชน์ให้กับข้าศึกศัตรูก็คือไปทำตามความอยากไปทำตามกิเลสกิเลสอยากดื่มอ่ะไหนๆเพื่อนชวนดื่มก็ไปดื่มไอขอเว้นไว้ก่อนอาทิตย์นี้ของดไว้ก่อนเพราะมีธะะุระมีเพื่อนมาชวน มันก็จะทําทให้เราเสียเวลาเนินช้ า, เ, าเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันการเพราะอายุเราก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆเอชีวิตของเราก็จะสั้นลงสั้นนลงเอาอายุยืนยาวนานแต่ชีวิตมันจะสั้นมันจะหดลงหดลงตามอายุที่ยืนยาวนานยิ่งอายุยืนยาวนานเท่าไหร่อชีวิตก็จะยิ่งสั้นเท่านั้นอคนที่อายุเก้าสิบเนี่ย ชีวิตนี้สั้นกับคนที่อายุอายุห้าสิบเนี่คนที่อายุห้าสิบนี่ยังอาจจะเหลืออีกต้องหลายปีคนที่อายุเก้าสิบนี่เหลือไม่กี่ปีแล้วดง mm. น, นั้นอายุยิ่งยาวยิ่งมากชีวิตยิ่งสนนั้นเราต้องเห็นคุณค่าของเวลาอย่าให้อะไรมาขัดขวางการ ทำประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราเพราะว่าถ้าเราตายไปแล้วเนี่เราจะไม่สามารถมาทำประโยชน์ให้กับจิตใจเราได้แล้วตอนนั้นเวลาที่เราตายไปเป็นเวลาที่จิตใจของเราจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราทำไว้แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่ ถึงจะได้กลับมาทำประโยชน์ให้กับตัวเราได้ช่วงที่เราตายไปนี้ต้องไปรับผลบุญหรือผลบาปถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปรับผลบุญไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็ต้องไปชลับผลบาปไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้าง ไปอยู่ในนรกบ้างแล้วก็จะไม่รู้ว่าอยู่นานเท่าไหร่อยู่ไปจนกว่าผลบุญผลบาบมันจะหมดกําลังเหมือนน้ํามันรถขับไปเรื่อยๆจนกว่าน้ํามันรถมันจะหมดรถมันถึงจะหยุดได้พอหยุดแล้วก็ต้องมารอรับร่างกายร่างกายก็อยู่ที่มนุษย์ว่ามีมนุษย์มากน้อย ผลิตมนุษย์กันได้ปีละกี่คนเดี๋ยวนี้มนุษย์เรามีวิธีคุมกำเนิดด้วยการจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะยากเพราะว่าคนที่จะผลิตมนุษย์ออกลูกนี้มีน้อยลงก็ต้องรอคิวไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คิวมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะได้มีโอกาสมาทําประโยชน์ให้กับจิตใจของเรา เห็ชาตินี้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีร่างกายที่แข็งแรงให้รีบเอาเวลาเอาชีวิตนี้มาทําประโยชน์ให้กับตัวเราอย่างเต็มที่ดีกว่าอาจจะต้องบวชเลยเพื่อเราจะได้มีเวลาเต็มที่ถ้าเราบวชนี้เราจะได้มีเวลามาทําประโยชน์ให้กับตัวเราเองได้อย่างเต็มที่เพราะการบวชนี้เราไม่ต้องไปทําหน้าที่อย่างอื่น เราไม่ต้องไปทำงานทำมาหากินหากินก็ง่ายไปเดินบินตบานวันละชั่วโมงก็พอแล้วพอได้ข้าวมากินก็พอแล้วแต่ถ้าไม่ได้เป็นพระไปเป็นคาวาะก็ต้องไปทำงานเป็นเดือนถึงจะได้เงินเดือนมาเพื่อเอาเงินเดือนมาจ่ายค่าข้าวค่าที่อยู่อาศัยแต่ถ้าไปเป็นพระนี่ก็ไม่ต้องไปทำงาน จะได้เวลาที่ไปทํางานนี้มาทําประโยชน์ให้กับจิตใจได้อย่างเต็มที่สามารถฝึกจิตทําจิตให้สงบได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับสามารถสอนจิตสอนใจได้ตลอดทั้งวันให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาให้คอยเตือนใจเราว่าอย่าไปสนับสนุนข้าศึกศัตรูอย่าไปทําตามความโลภทําตามความอยากต่างๆ ทุกครั้งที่มันโลภมันอยากนี่ต้องฆ่ามันอย่างเดียวทุกครั้งที่ข่าศึกศัตรูมาหาเราอย่าเปิดประตูลับให้มันเข้าบ้านเอาปืนยิงมันเวลามีโจรผู้ร้ายมาเคาะประตูนี่เราจะเปิดประตูให้มันเข้ามาบ้านหรือเปล่าเรามีปืนแล้วก็ยิงมันไปเลยเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องมาป้นมาจี้มาฆ่าเราฉันใดกิเลสตัณหานี่ก็เป็นเหมือนโจรผู้ร้ายดีๆนี่เอง เป็นฆ่าศึกศัตรูของเราถ้าเราไปต้อนรับมานี้ก็เท่ากับให้มันมาฆ่าเรานั่นเองนี่คือสิ่งนี้คือปัญญาต้องคอยเตือนใจสอนใจให้รู้อยู่ตลอดเวลาว่าการทำตามความโลภความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ได้เป็นการสร้างความสุขให้กับเราการสร้างความสุขให้กับเราก็คือการฆ่าความโลภความอยาก ด้วยการไม่ทำตามมันมันอยากจะเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวอย่างนี้มาถือศีลแปดเนี่ยไม่ไปเที่ยวแล้วเนมันุ่งขาวห่มขาวอยากจะนอนกับแฟนก็ไม่นอนอยากจะกินข้าวเย็นก็ไม่กินอยากจะดูหนังดูละครก็ไม่ดูอยากจะร้องลําทำเพลงก็ไม่ทำอยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ทำอันนี้แหละเป็นการกำจัด ต่อสู้ความอยากฆ่าความอยากให้มันตายไปจากใจของเราเมื่อไม่มีความอยากหงลงรืวแล้วใจของเรานี้จะมีแต่ความสุขเป็นความสุขที่ดีกว่าการความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปดูหนังดูละครไปร้องลํำทําเพลงแล้เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดแล้วจะทำให้เราไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันอีกต่อไป นี่คือประโยชน์ที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำกันในวันพระเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นทำที่วันพระวันจุดก่อนพอทำแล้วเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ก็อยากจะทำเพิ่มขึ้นไปเองต่อไปก็อยากจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันสี่วันห้าวันต่อไปก็จะทำทุกวันถ้าทำทุกวัน้วไม่นาน ฆาสิษตที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับเราก็จะถูกทำลายไปหมดใจของเราก็จะอยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือประโยชน์ในวันพิเศษคือวันพระเป็นวันที่เราจะมา ทำตัวเราให้เป็นผู้วิเศษผู้ที่อยู่เหนือความทุกข์ผู้ที่ไม่มีความทุกข์นี่แหละคือผู้ที่วิเศษพระอริยเจ้านี่เราเรียกท่านเป็นพระอริยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษเพราะท่านสามารถกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของท่านได้นั่นเองถ้าเราอยากจะเป็นผู้วิเศษอยากจะเป็นพระอริยเราก็ต้องมาทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน มาทำบุญทาทานมารักษาศีลมาฝึกนั่งสมาธิมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาและรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะกลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะท้าวอรลิวหาปุราปาลีปุรินติสากหลังเอวเมวะอิโตถินังเมตานางอุปกักปติอิช um ิตังปะทิตังตุมหังกิปะเมวะสมมิตาโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามะนิจติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสสตุมาเตภะวะตวันตราโยสุขิธิกายุโกภะวะ อภิวาทานาสีิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโรธร ม, มาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ o k เข้ามาสามร้อยเก้าสิบยูหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด วิทยุออนไลน์สามสิบห้ารับฟังบนเขาเจ็ดสิบคนรวมทั้งหมดหกร้อยสี่สิบสองดีมีใครอยากจะถามอะไรไหมฟังเทศฟังธรรมผ่านไปแล้วอาจจะไม่ได้ฟังเรื่องที่เราอยากจะฟังหรือเปล่าอยากจะฟังอะไรอีกก็บอกได้ถามได้หรือฟังแล้วไม่เข้าใจก็เชิญถามได้ ถ้ายังไม่ถามก็เดี๋ยวจะให้ทางบ้านที่ส่งคาถามเข้าม า, าถามไปก่อนแล้วใครอยากจะถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วเพราะหมดเวลาเหมือนตายเวลาตายแล้วฟังเทศไม่ได้้วจะฟังต้องฟังตอนเป็น อย่าไปให้ เ, าเคาะลงตื่นขึ้นมาฟังเทศนะพระจะสวดแล้วตอนนั้นฟังไม่ได้แล้วที่นี่ก็เหมือนกันอยากจะถามคำถามก็ถามตอนที่เรายังคุยกันอยู่นี่พอเลอกประชมุมเลอกคุยแล้วก็ก็ถามไม่ได้แล้วเชิญคำถามจากทางบ้าน Facebook คุณคณิษฐาการที่เราไม่ค่อยทำบุญ จะส่งผลในเรื่องอะไรบ้างคะแต่ชอบฟังธรรมะก็ไม่ส่งผลอะไรถ้าเรามีบุญอย่างอื่นทดแทนคือถ้าเราไม่ได้มีเงินทองที่จะทำบุญทำทานแต่เราทำบุญด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ได้บุญเหมือนกันแมนะ้เป็นบุญที่ดีกว่าเสียด้วยซ้ำไปแต่มันยากกว่าเท่านั้นเองนะการทาบุญด้วยเงินทองนี่มันง่ายมีเงินก็ สามารถทำได้เลยได้รับผลทันทีแต่บุญที่จะได้จากการนั่งสมาธินี่มันยากกว่าจะได้ในเหงื่ออาจจะออกอาจจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเหมือนปีนเขาแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้ฟังเทศฟังธรรมได้เราก็ได้บุญการฟังธรรมนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าฟังแล้วจะได้บุญเพราะบางทีฟังแล้วไม่รุ้เรื่องหรือฟังแล้วไม่สามารถ ท่ากิเลสได้ก็ยังไม่ได้บุญการฟังธรรมนี้มีเพื่อเอามาฆ่ากิเลสตัณหาความอยากต่างๆถ้าฟังธรรมแล้วยังสู้กิเลสไม่ได้ก็ยังไม่ได้บุญะยันถ้าเรายังไม่มีบุญจากสมาธิไม่บุญบุญจากการฟังธรรมก็ควรที่จะไปทําบุญทําทานเสียสลาข้าวของเงินทองเอไม่มีเงินทองเราก็ทําบุญอย่างอื่นได้เอ เช่นเรามีวิชาความรู้เราไปสอนคนอื่นโดยที่ไม่เก็บตังค์ก็ได้ถ้าเรารู้จักวิธีทำกับข้าวไปสอนคนให้ก็รู้จักวิธีทำกับข้าวโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินเก็บทองอันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันหรือเรามีวิชาความรู้ภาษาอังกฤษเด็กอยากจะเรียนไม่มีเงินเรียนเราก็สอนให้เขาฟรีอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นการทำบุญได้เหมือนกัน หรือถ้าเราไม่มีความรู้แต่เรามีมือมีแขนมีกำลังไปช่วยทำงานให้กับใครที่เขาต้องการความช่วยเหลือก็ได้เช่นไปช่วยปอดเต็งร่วมกัตันยูไปเก็บศพไปอะไรไปล้างป่าชา้าหรือไปวัดนี้นี่มีบางกลุ่มก็ชอบมาล้างซ่วมที่วัดกัน อันนี้ก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกันออไม่มีเงินทองไม่มีความรู้ก็เอาร่างกายเหล่านี้แหละเอาแขนเอาขาเอามือของเราเนี้มาทําบุญได้มาเก็บความสะอาดที่วัดนี้ก็ได้ถ้าเห็นมีเศษขยะคนกินแล้วทิ้งของเละเทะก็หยิบเอาไปช่วยเอาไปทิ้งให้หน่อยเข้าไปห้องน้ํามันสกรปรกก็ช่วยกันล้างหน่อยอันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกัน ทำแล้วก็จะมีความสุขใจได้เหมือนกันการทำบุญนี้เพื่อสร้างความสุขใจให้กับเราวันไหนถ้าเรารู้สึกว่าไม่มีความสุขใจเลยอย่าไปเที่ยวมันเป็นความสุขปลอมสุขเดียวๆว่วเดี๋ยวมันจะอยากเที่ยวอีกแล้วพอไม่ได้เที่ยวมันจะทุกข์มากมสู้เวลาไม่มีความสุขอยากจะมีความสุขก็ไปทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง ไปทำประโยชน์ให้กับใครก็ได้อยู่ในบ้านก็ทาประโยชน์ให้กับคนในบ้านก็ได้ช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยพี่ช่วยน้องอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ความสุขใจคำถามจากคุณรพีภา <c oughs> กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ <c oughs> ผมศึกษาทมและปฏิบัติธรรมตามอัตภาพที่จะทำได้ที่บ้านแต่ไม่ได้ไปที่วัดการนั่งสมาธิ ภายใต้สิ่งรบกวนมากมายจนรู้สึกว่าจิตที่ได้เป็นจิตหยาบแล้วจะทำอย่างไรจะทำลายจิตหยาบได้ครับก็ต้องไปหาที่เงียบที่สงบแล้วก็ไปพยายามสร้างสติให้มีกำลังหยุดจิตให้ได้ถ้าหยุดจิตได้จิตมันก็จะละเอียดหยาบหยาบมากหยาบน้อยอยู่ที่มันคิดมากคิดน้อย ถ้าคิดมากก็หยาบมากถ้าคิดน้อยก็หยาบน้อยถ้าไม่คิดเลยก็จะเน่งสงบละเอียดเต็มที่คำถามจากคุณประทีปกราบนมัส ก, การครับผมเป็นคนไม่ดื่มเหล้าแต่เมื่อเวลามีงานเลี้ยงกันกับเพื่อนๆหรือญาติๆเราต้องมาชงเหล้าหรือเทเหล้าให้คนอื่นกินจะถือว่าเราผิดศีลไหมครับ เหมือนเป็นการส่งเสริมให้คนอื่นการส่งเสริมนี่ไม่ได้เราไม่ได้ผิดนะแต่เราไม่ควรจะทำให้คนอื่นเขาทำผิดนะเป็นการส่งเสริมให้เขาไปทำผิดนะคนที่จะปฏิเสธไปจะดีกว่าแต่ถ้ายัางต้องทำอยู่ก็ทำไปแต่เราไม่ผิดนะเราขอให้เราอย่าดื่มอย่าชิมเองก็แล้วกันไม่ใช่ชงไปชิมไปเดี๋ยวก็กลายเป็นดื่มไปในตัว คำถามจากคุณอิสรีโอนเงินค่าอาหารให้พระประจำทุกเดือนและทําบุญอื่นๆก็โอนไปทําบุญทุกครั้งในทุกครั้งที่ทํามีความปิติสุขเสมอแต่มีคําถามว่าการที่ไม่ได้ไปถวายเองปิติสุขที่เราได้รับคือบุญจริงไหมเจ้าคะหรือเราคิดไปเองจริงก็เพราะว่าเรา เราส่งไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทําแล้วบุญที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการที่เสียสละไม่ใช่เกิดจากความที่มีคนรับบุญเราหรือไม่ถ้าเราเสียสละ <c oughs> เงินก้อนนี้ไปแล้วไม่ได้เป็นของเราแล้วนี่เราก็จะเกิดความสุขใจเกิดปิติขึ้นมา <c oughs> ฉะนั้นไปให้กับมือก็ได้หรือให้ผ่านทางมือถือก็ได้เหมือนกัน คำถามจากคุณสธีรพัฒกราบนมั ส, สการครับอยากถามว่ามีวิธีกำจัดความกลัวไหมครับ ม, ม, มีความกลัวความกลัวมันก็เกิดจากความหลงดังนั้นมันก็จะแก้ได้สองวิธีวิธีชั่วคราวกับวิธีถาวรวิธีที่ชั่วคราวก็คือ เวลาเกิดความกลัวขึ้นมาเราก็ใช้สติคือพุโทโธหยุดมันเวลากลัวอะไรมากๆก็ให้พุโทโธพุโทโธไปอย่าส่งใจเราไปหาสิ่งที่เรากลัวถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไปแต่ถ้าเราเผลอไปคิดถึงมันเมื่ อ, อไหร่ความกลัวก็จะกลับมาใหม่ได้ถ้าเราอยากจะ ให้มันหายอย่างถาวอนนี่เราก็ต้องถามว่าเรากลัวอะไรแล้วสิ่งที่กลัวเรากลัวนี้มันมาทำอะไรเราได้บ้างถ้ามันทำอะไรเราได้เช่นมันฆ่าเราได้ถ้าเรายอมให้มันฆ่าเสียความกลัวก็หายไปเช่นยอมตายเพราะยังไงก็ต้องตายเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนเมื่อถึงเวลาก็ไม่มีใครห้ามได้ ถ้าถึงเวลาตอนนี้มันจะมาฆ่าเรามันจะทำให้เราตายก็ยอมตายไปถ้าเรายอมตายได้ความกลัวก็จะหายไปจะไม่กลัวอีกต่อไปเราจะอยู่ไปอย่างสบายจะไม่มีวันกลัวตายต่อไปถ้าเรายอมรับความตายได้ยอมตายได้คำถามจากคุณปอการเลี้ยงอาหารเพื่อน ถือว่าเป็นการทำทานไหมครับก็เป็นทำทานเป็นการให้ความสุขกับเพื่อนฝูงแทนที่จะทำกับพระก็ทำกับเพื่อนก็ได้ทำกับหมากับแมวก็ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้หรือเลี้ยงปลาก็ได้ที่วัดเขาก็มีคนมาซื้ออาหารปลาแล้วก็มาปลยให้ปลากินก็ได้ก็เป็นการทำทานเหมือนกันได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกัน คำถามจากคุณสิรินันเพื่อนบ้านชอบเอาขนมมาให้ทานแต่ตัวลูกไม่เป็นคนชอบทานขนมจึงเอาขนมที่เพื่อนบ้านให้มาเอาไปให้แม่บ้านหรือรอปภหมู่บ้านทานแทนแบบนี้ถือว่าเป็นการทำทานจะได้บุญไหมคะได้เมื่อเราไม่กินเองลรวก็ไปทำทานต่อได้ เหมือนคนให้เงินเรามาแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้เงินนี้เราก็อไปทำบุญเราก็ได้บุญคนที่ให้เราเขาก็ได้บุญเราก็าไปทำบุญต่อตได้ถ้าเราไม่เอามาใช้ให้กับตัวเราเองใช่ไม่เอาเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าถ้าไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าก็จะได้กิเลสแตนได้ความโลภความอยากแล้วเดี๋ยวก็จะได้ความทุกข์ตามมา คำถามจากคุณพรทิพย์ผู้ที่ทําร้ายบิดามารดาตายไปจะเกิดเป็นเปรตใช่ไหมคะไม่หลอกไปนรกผู้ที่ทําร้ายบิดามารดาตกนรกเพราะว่าเป็นโทษที่หนักกว่าเปรตเปรตนี้ไปเป็นเปรตเพราะความโลภโลภแล้วก็ประทมลอยข้าวของเงินทองของคนอื่นนตรงนี้จะเป็นเปรต คำถามจากคุณอิโมจิข้าพเจ้าอยากถามว่าเวลาเรารวมจิตขณะที่จะนอนหลับดูลมหายใจจนรู้สึกตึงๆเหมือนหายใจไม่ออกจิตก็คิดว่าอารมณ์นี้นี่คงคล้ายจิตจะดับต้องทำยังไงคะก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็ดูันไปเฉยๆดูลมไปเฉยๆ อย่าไปสนใจอย่าไปปุุงแต่งอย่าไปคิดอะไรให้ดูเฉยๆดูลมไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆคําถามจากคุณแทมมี่จะปฏิบัติอย่างไรชาติหน้าจึงได้เกิดเป็นผู้ชายถามให้ผู้ที่ชาตินี้เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับเออก็ต้องเปลี่ยนนิสัยไงถ้าเรามีนิสัยเป็นผู้หญิงเราก็จะไปเกิดเป็นผู้หญิง ถ้าเรามีนิสัยเป็นผู้ชายเราก็จะไปเกิดเป็นผู้ชายเราก็ต้องเปลี่ยนนิสัยผู้หญิงก็ชอบของสวยๆอม ง, งามชอบแต่งหน้าทาปากผู้ชายก็ชอบออกกําลังกายใช้พลังการหารบึกบิน น, นี่เป็นนิสัยของผู้หญิงผู้ชายที่ไม่เหมือนกันก็คนที่เขาที่เป็น เป็นเพศกำการเป็นที่มีร่างกายเป็นผู้หญิงแต่นิสัยเขาบึกเบินเขาก็เป็นทอมใช่ไหมเขาทำตัวเนี่ยพอนิสัยเขาเป็นผู้ชายเขาจะเริ่มไปเป็นผู้ชายแล้วเขาเริ่มเปลี่ยนมาเรื่อยๆนิสัยนี่มันอาจจะต้องค่อยๆเปลี่ยนไปเอแต่ละภพแต่ละชาตินไม่ใช่จะเปลี่ยนแบบทันทีทันใดเหมือนกับเราถนัดมือซ้ายมือขวานี่มันก็เหมือนกันทําไมเราจึงถนัดมือซ้ายทําไมเขาอีกคนหนึ่งถึงถนัดมือขวา พราะนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นนิสัยของแต่ละชาติก็เกิดมาเขาใช้มือขวาเขาก็จะถนัดมือขวาไปเรื่อยๆถ้าอยากจะเ ป, cos, เปลี่ยนก็ต้องหัดเปลี่ยนเช่น guidance, ตอนนี้เราถนัดมือขวาเราอยากจะเป็นหัดอยากจะถนัดมือซ้ายก็พยายามเลิกใช้มือขวาเราหัดมาใช้มือซ้ายใช้ไปเรื่อยๆต่อไปก็อาจจะถนัดมือซ้ายก็ได้อันนี้อยู่ที่นิสัยต้องเปลี่ยนนิสัย จิตเราเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่นิสัยจึงทำให้เราเป็นเพศต่างกันไปนิสัยผู้หญิงก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งนิสัยผู้ชายก็เป็นอย่างหนึ่งจ า, จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าหากความอยากคือพื้นฐานของกิเลสแต่ความอยากนั้น ก็เป็นแรงผลักดันให้คนเราประสบความสาเร็จเราจะจัดการกับความอยากอย่างไรในการก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อความสาเร็จค่ะคือความความอยากภาษาไทยนี่มันคุ้มเครือมากกว่าความอยากภาษาธรรมะว่าอยางไความอยากภาษาธรรมะนี่มีแค่สตัวที่แปลว่าตันหาที่เป็นกิเลสคือความอยากในกามอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอย่างี้แล้วความอยากไม่เป็นอยากไม่ให้เขาด่าเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้เป็นตันหาในในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้คลุมไปถึงความอยากอย่างอื่นความอยากอย่างอื่นเราไม่ได้เรียกว่าเป็นตันหาความอยากที่จะประสบความสำเร็จนี่เราเรียกว่าฉันทะความยินดี ความอยากจะไปนิพพานนี่ก็ต้องใช้มีฉันทะอยากจะไปนิพพานอันนี้ไม่ใช่เป็นตัณหาเป็นความอยากแต่เราแาปลคาว่าความอยากว่ามันคุมไปหมดตัณหานี้มันมีค่าสามตัวนี่ กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาส่วนความอยากเป็นความอยากที่จะทำอะไรให้สาเร็จนี่มันก็เป็นตัณหาก็ได้ไม่เป็นตัณหาก็ได้ถ้าอยากจะไปทางโลกก็เป็นกิเลสเป็นตัณหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากล่มอยากรวยอยาก อ, าอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรนี้ถ้าไปทางโลกก็เป็นตัณหาทั้งนั้น แต่ถ้าไปทางธรรมนี้ไม่ไม่เป็นทางตันหาเยังอยากจะทําบุญอยากจะรักษาศีลอยากจะนั่งสมาธินี้เราไม่เรียกว่าตันหาเราเรียกว่าฉันทะเอความยินดีความพอใจที่จะทําบุญที่จะรักษาศีลที่จะปฏิบัติธรรมยั้นขอให้เราเข้าใจคําว่าคําว่าตันหามีเพียงสามแต่ความอยากนี้มันคุมทั้งตันหาและไม่ตันหาอ คุมทั้งตันหาคุมทั้งฉันทะอต่ถ้าความความอยากไปในทางโลกนี้ถือว่าเป็นตันหาทั้งหมดเพราะความอยากไปทางโลกมันจะทําให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปความอยากในทางธรรมเท่านั้นที่จะทําให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ฉันขอให้ทําความเข้าใจว่าความอยากของเรานี้มันอยากไปในทางไหน เช่อยากจะร่ำอยากจะรวยนี่ก็ถือว่าไปทางโลกะไปทางเวียนว่ายตายเกิดะถ้าอยากจะไปเป็นพระเนี่ยเป็นไปทางธรรมละไปคนละอย่างกันนอ่าเข้ามาอยากจะถามอะไรขึ้นมาอ๋อได้เชิญเลยตามสบายคิดว่าอยากจะถามอะไรอต่อไป <c oughs> คำถามจากคุณคนละขอบฟ้ากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาทำงานชอบสวดมนต์ไปคือนึกอยากสวดอย่างบทบารมีสามสิบทัศจิตใจเพลิดเพลินจะเป็นบาปไหมคะกลัวว่าจะไม่เป็นการเคารพแบบนี้คิดผิดหรือถูก การสวดมนต์แล้วทำให้ใจมีความสงบมีความสุขก็เป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งฝึกจิตทำให้จิตสงบฝึกสติไม่น่าจะเป็นบาปตรงไหนเป็นบุญอยู่ที่ว่าถูกกาละเทสาหรือเปล่าว่าเราสวดแล้วไปรบกวนชาวบ้านเขาหรือเปล่าถ้าสวดแล้วไปรบกวนชาวบ้านเขาอันนี้ก็ไม่เหมาะสมไม่ควรที่จะไปรบกวนผู้อื่นทาอะไร คำถามจากคุณกุลทิดาการนั่งสมาธิช่วยรักษาโรคซึมเศร้าได้หรือไม่เจ้าคะได้ถ้าจิตสงบแล้วความซึมเศร้าควา ม, มเศร้ า, ามมหมองความเสียใจนี่มันจะหายไปเพราะเวลาจิตสงบนี้ความอยากต่างๆมันหายไปความอยากนี่เป็นเหตุให้เราซึมเศร้าอยากไปเที่ยวก็ไปไม่ได้ไปเที่ยวอยากได้นูน่นอยากได้นี่ก็ไม่ได้ดังใจยอยาก มันก็เลยทําให้เราเสร่อมเศร้าขึ้นมาพอเราทําสมาธิจิตสงบหยุดความอยากได้ความเสื่อมเศร้าก็จะหายไปความเหงาก็หายไปความว้าเหว่ก็หายไปคําถามจากคุณยุคคนจับหนูในบ้านเจ้านายให้เอาไปขังกรงแล้วให้ปล่อยสุนัขเข้าไปกัดในกรงจนหนูตาย จะมีส่วนแห่งบาปกรรมนี้ใช่ไหมครับจะอุทิศบุญขอขมาให้หนูตัวนั้นจะลดทอนให้การจองเว้นน้อยลงไหมครับก็แล้วแต่หนูตัวนั้นนะมันถ้าเราเป็นหนูเราจะลดเราจะลดการจองเวน้นจองกรรมหรือเปล่าถ้าเขาฆ่าเราแล้ ว, แ ล, ว, แ, ล ว, แ, ลวแล้วเขาก็มาทำบุญอุทิศให้กับเราก็แล้วแต่คู่ที่เสียหาย เหมือนเราขับรถไปชนเขาพัรถเขาพังแล้วแล้วเราไปซ่อมให้เขาแต่เขาอาจจะไม่พอใจเพราะรถเขาใหม่เขาอยากจะได้รถใหม่เขาก็อาจจะไม่ไม่เลิกจองเวนเราก็ได้ยนันอยู่ที่ว่าเราชดใช้ความเสียหายให้กับเขาถึงให้เขาพอใจหรือไม่ถ้าเขาพอใจเขาก็อาจจะเลิกจองเวรจองกรรมเราก็ได้แต่ถ้าชดใช้ก็เพียงนิดเดียวไปตีหัวเขาแล้วก็ไป ซื้อก่อเอีย้ยวมาให้เขานี้เ้าก็คงจะไม่ไม่พอใจอย่างแน่นอนคำถามจากคุณชาติกราบน้ำมศการครับการทำบุญด้วยเงินทีละสิบยี่สิบบาทแต่กระจายไปหลายที่กับการทำบุญเพียงไม่กี่ที่แต่ทำทีละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาท อันไหนควรทำมากกว่ากันครับก็แล้วแต่เหตุผลไงแล้วแต่ความจำเป็นว่าจะต้องทำแบบไหนถ้ามีเด็กมาสิบคนนี้เราจะไปให้คนสองคนมันก็ไม่เหมาะใช่หมเด็กต้องการขนมก็ต้องซื้อขนมให้เด็กทั้งสิบคนไม่ใช่ซื้อขนมแล้วให้เด็กสองคนอีก8ปดคนปล่อยให้มันอดนี่มันก็ไม่ถูกแล้วแต่เหตุการณ์ แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความเหมาะสมแต่บุญนี่เราความบุญของเราความสุขใจผลที่เราได้รับนี้อยู่ที่จำนวนเงินที่เราเสียไปเราเสียเท่าไหร่ก็จะได้บุญเท่านั้นจะ ก, กระจายไปหรือไม่กระจายไปก็ได้บุญเท่ากันเช่นเราทำบุญสองร้อยกระจายไปสิบให้สิบคนคนละยี่สิบบาทหรือทำบุญคนเดียวสองร้อยเราก็ได้บุญเท่าเดิม ไม่มากไปไม่น้อยไปถ้าอยากจะให้มากต้องเพิ่มจำนวนเงินที่เราทำเพิ่มจากสองร้อยเป็นสี่ร้อยอย่างนี้เราก็จะได้บุญเพิ่มมากขึ้นคำถามจากคุณนาราทิปกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับหลังจากเลิกนั่งสมาธิจิตยังคงสภาวะนิ่งๆว่างๆอยู่ณนะตอนนี้ เราควรปล่อยให้คงสภาวะอย่างต่อเนื่องหรือควรคิดและไต่ตรองเกี่ยวกับข้อธรรมะต่างๆขอคำแนะนำด้วยครับรก็ได้ทั้งสองอย่างถ้าเราคิดว่าเราอยากจะรักษาความเย็นความสงบให้อยู่ไปนานๆเราก็ใช้สติประครับประคองต่อไปอย่าปล่อยให้ใจคิดให้มันพุโทโธพุโทโธไปได้เรื่อยใจก็ยังจะเย็นยังจะสบายต่อไป แต่ถ้าเราอยากจะได้ปัญญาเราก็มาคิดทางไตรลักษณ์คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อเราจะได้ปล่อยวางเพราะถ้าเราปล่อยวางได้เราจะได้ความสงบมากกว่าความสงบที่เราได้จากสมาธิเพราะมันจะเป็นความสงบที่ถาวรก็ได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่ว่าเราเราเราชำนาญทางสมาธิหรืออย่างเรา สามารถทำใจให้สงบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวได้หรืออย่างถ้ายังไม่ได้เราอาจอยากจะต้องมาประครับประคองความสงบนี้ไว้ไปก่อนฝึกทําให้ใจให้สงบให้มันคล่องแคล่วก่อนเมื่อเราคล่องแคล่วสามารถทำใจให้สงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วตอนนั้นเราอยากจะไปทางปัญญาก็ไปได้ เพราะว่าถ้าไปทางปัญญาแล้วบางทีคิดแล้วมันฟุ้งขึ้นมาถ้าเราไม่ชำนาญทางสมาธิเราอาจจะหยุดความฟุ้งไม่ได้ <Yeah. S 1> ให้เราก็ต้องระมัดระวังถ้าจะไปทางปัญญานี่เราต้องมีความมั่นใจว่าถ้าเราไปคิดแล้วเดี๋ยวเกิดมันคิดเรื่อยเปื่อยไปคิดจนฟุ้งซ่านขึ้นมาเราจะหยุดมันได้หรือเปล่า <Yeah. S 1> ถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็มาฝึกหยุดใจไปก่อนทําสมาธิไปก่อนให้มีความมั่นใจ เหมือนกับเวลาที่เราหัดขับรถใหม่ๆเราก็หัดอยู่ตามถนนที่ไม่มีรถวิ่งขัดขับในสนามหัดขับขับไปจนเรารู้สึกว่าเราชำนาญแล้วเราถึงค่อยออกไปถนนได้ออกไปบนถนนใหญ่ที่มีรถวิ่งไปวิ่งมาได้เพราะเรามีความมั่นใจว่าเราหยุดได้เราป้องกันภัยได้ แต่ถ้าเรายังควบคุมใจไม่ได้ไม่ไม่มัน่นคงเราก็ควรจะฝึกสมาธิต่อไปออกจากสมาธิมาก็พุโทโธพุทโธต่อไปอย่าเพิ่งปล่อยให้มันคิดแล้วแล้วพอจะนั่งสมาธิก็กลับไปนั่งดูซิว่าเข้าสมาธิได้ได้อย่างรวดเร็วง่ายดายหรือไม่ถ้าทุกครั้งเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายรวดเร็วก็ถือว่าเราชำนาญแล้วทีนี้ออกจากสมาธิมาเราจะมาคิด ทางปัญญาก็ได้พิจารณาตายรัพิจารณ า, า, า, าว่าของทั้งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นข้าวของเงินทองก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นมีเกิดมีดับมีมามีไปถ้าไปยึดไปติดเวลามันจากเราไปก็จะเสียใจเราต้องอยากยึดอยาติดถ้าเราไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะทุกข์ใจเพราะเราห้ามมันไม่ได้เวลามันจะไปเมื่อไหร่เราไม่รู้ งถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์หมดแล้วเหรอคำถามามีใครอยากจะถามไหมอ่ะส่งไลน์รโฟนให้เธอไปหน่อยพูดใกล้ๆปากหน่อยค่ะกับกาบ้าจา์ค่ะ ครั้งที่แล้วเคยเรียนพระอาจารย์ว่าพบจิตผู้รู้ที่มันเป็นอัตโนมัติอยู่ข้างในแล้วมันก็สงบสบายเย็นพระอาจารย์บอกว่าให้รักษาความสงบเอาไว้ถ้าถ้าเกิดว่าหนูก็ทําแบบนี้ไปแล้วก็บวกกับนั่งสมาธิแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอผัสสะในโลกของที่เราพบอะค่ะเรากระทบแล้วเรา ก, ก็ก็พิจารณาเชิงไตรลักษ แล้วก็ปล่อยมันไปอันนี้ถ้าหนูทำไปเรื่อยๆเนี่ย เ, ออเราจะสามารถบรรลุถึงเป็นถึงพระอริยะบุคคลขั้นสูงสุดได้ใช่เราก็ต้องปล่อยวางทุกอย่างค่ะ เพราะว่าหนูก็มั่นใจว่าถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราตายเนี่ยไม่ไม่ตกอบายค่ะแต่เพียงแต่ว่ายังยังยังรู้สึกว่ากำลังยังไม่พอค่ะ uh huh. ในแต่ละขั้นที่จะจะกระเถิบขึ้นไป uh huh. แต่ก็เลยเข้าใจว่าต้องปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนว่าจะต้องนั่งสมาธิให้มากขึ้น uh huh. แล้วก็พิจารณาในเชิงวิปัสสนามากขึ้น uh huh. แต่หนูก็คิดว่าถ้าตัดตัด ตัดความอยากหรือความทุกเนี่ยจริงๆในเชิงไตรักเนี่ยพิจาญาง่ายกว่ามันตัดง่ายกว่าในเชิงเชิงความทุกแต่ถ้าพอเราเสพเรื่องความสุขอะค่ะมันกับตัดได้ยากมากกว่าตัดตัดได้ยากอะค่ะอาจารย์ mm. มันมันรู้สึกว่ามันเหมือนเราคลายหรือวางมันไม่ลงเพราะเราติยึดกระสุขตรงนั้นนะคะ mm. อย่างนี้ขอคุบาสมาธิเราไม่พอไง ค, ความสุขที่เราได้จากสมาธิยังมีกำลังไม่พอที่จะ ด, ดูดใจเราให้มาหาความสุขทางสมาธิ <Okay. S 2> เพื่อให้ปล่อยความความสุขทางโลก ถ้าถ้าอย่างนั้นก็ต้องกลับมาตมีสติอยู่ตรงจิตเหมือนเดิมแล้วก็ไปนั่งสมาธิให้ไม่มีกําลังให้จิตมันรวมศักแต่ว่ารู้เป็นอัปปนาสมาธิมือนถึงจะมีกําลังค่ะอาจารย์คะหนูดูยูทูบอะค่ะดูแล้วดูเกี่ยวกับอสุภะดูแล้วจิตมันก็เด่นอยู่ข้างในแล้วมันก็จะเหมือนทําท่าจะรวมเหมือนเหมือนมันมันมันมันทำของมันข้างในอัตโนมัติค่ะพอเราดูดูไปอย่างนี้เราควรจะพิจารณา ในเชิงวิปัสสนาของอสุภะนั้นหรือว่าเราควรจะไปนั่งสมาธิให้มันจิตมันรวมอะคะ่ะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการปัญญาหรือต้องการสมาธิไงถ้าเราต้องการสมาธิเราก็ใช้ใช้มันเป็นอารมณ์แทนลมหายใจก็ได้เพ่งดูมันไปค่ะแล้วอย่าไปพิจารณาให้เพ่งเฉยเฉยให้ดูเฉยเฉยฉันดูโครงกระดูกนี้ถ้าอยู่ดูโครงกระดูกอย่างเดียวใจไม่คิดอะไรเดี๋ยวมันก็รวมเป็นสมาธิได้ แต่ถ้าอยากจะให้มันเป็นปัญญาก็ต้องพิจารณาดูความน่าเกลียดดูความไม่สวยงามของร่างกายดูสัดส่วนต่างๆที่ไม่น่าดูดูปอดดูตับดูไตดูหัวใจดูโคกระดูกดูอะไรดูแล้วมันก็วางว่ามันไม่ใช่มันมันไม่มีสาระอะไรเลยมันน่ต้องมันต้องดับกามอารมณ์ให้ได้ค่ะคือ อันนี้มีไว้สาหรับเวลาเกิดมีความมีการอารมณ์อยากจะนอนกับแฟนอย่างนี้ต้องมองแฟนให้เป็นอสุภาให้ได้เราต้องทำการบ้านก่อนถ้าเราไม่ทำการบ้านเราจะนึกไม่ออกเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาถ้าเราทำการบ้านฝึกดูอสุภาอยู่เรื่อยๆพอเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเราก็ใช้อัสุภามาหยุดมันได้ ป่าว่าตอนนี้ก็คือต้องตั้งสติให้มาอยู่ในจิตให้มันให้มันเข้มข้นมากขึ้นให้มันต่อเล อ, อ, เ อ, อให้มันนิ่งให้มันสงบก่อนเพราะเราออกไปมากเกินไปแล้วบางทีมันจะตัดไม่ได้อย่างที่พระอาจารย์ออสอนนะคะใช่กำลังสมาธิเรายังไม่พ อ, อแล้วก็ปัญญาเราก็ยังไม่ค่อยมีจับไม่ค่อยได้<ฆ>อาจจะดูเห็นปับป๊บป๊แวบแวบเดียวเดียวเดียวพอออกมาก็เห็นสวยเห็นงามไปหมด ก็ต้องเห็นไม่สวยไม่งามตลอดเวลาตอนนี้ควรจะเห็นนสุภะตลอดเวลาเห็นไหมเห็นตับไตไส้พุงเห็นโครงกระดูกคนไหมไม่เห็นมันจะมาโนออกได้อยู่ในใจอะค่ะแต่มันจะอาจจะไม่ต่อเนื่องค่ะมันต้องอัตโนมันมันไม่ต้องมาโนมันเห็นปุ๊บเห็นปั๊บไปเลยค่ะเห็นปั๊บก็ทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเลยค่ะถ้ามันเห็นอย่างงั้นการอามมันก็เกิดไม่ได้ มันติดเสียงไพ่ล้อติดติดอย่างนั้นมากกว่าด้วยค่ะก็ต้องพิจารณาว่าไม่เที่ยงมันไพ่ล้อขนาดไหนเดี๋ยวมันก็หายไปได้พอหายแล้วก็ะทําทำให้เราเหงาได้ อ, อย่าไปติดมันมันเกิดแล้วดับเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มีใคอยากจะถามในวันนี้ถามต่อได้นะ ไม่มีก็ถามทางว่านต่อมีไหมมีครับคำถามจากคุณพรทิพย์ทำร้ายบิดามารดาโทษต้องตกนรกมีวิธีใดบ้างคะที่จะทำให้โทษเบาบางลงไม่มีหรอกก็ต้องไปใช้โทษอย่าไปทำร้ายคือทำร้ายมันก็มีหนักมีเบาถ้าถึงกับฆ่านี่มันก็หนักฆ่าบิดามารดานี่ถือว่าโทษหนักที่สุด ถ้าทําร้ายเพลงทุบตีนี่อาจจะไม่โทษต่างเท่ากับการฆ่าอืราฉนั้นคําว่าทําร้ายนี่ต้องต้องต้องบ่งว่ามันแบบไหนหนักเบาขนาดไหนโทษมันก็หนักเบาต่างกันเหมือนกับโทษทางกฎหมายใช่ไหมทําร้ายร่างกายเจ็บขนาดไหนะศาลก็จะพิจารณาลงโทษไปตามความเสียหายจนันใดก็เหมือนกันทําร้ายอ ร่างกายของบิดามารดาหนักขนาดไหนก็นรกก็มีหนักมีเบาอาจจะติดคุกมีติดนานติดไม่นานหรือถึงกับโทษประหารชีวิตถ้าทำไปแล้วมันไปล้างไม่ได้ทาให้มันเบาไม่ได้ทำได้ก็คือถ้าเรายังไม่ตายรีบทำบุญเยอะๆนะเช่นองคติมานฆ่าคนต้อง9่าร้อยเก้าสิบเก้าคน ก็รีบปฏิบัติทำตามคำสอนของพระเจ้าจนได้เป็นผ้าอรหันนะพอเป็นผ้าอรหันแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องไปอบายไม่ต้องไปตกนรกอันนี้ก็แก้ได้ด้วยการทำบุญให้เยอะๆต้องทำบุญระดับพระอริยถึงจะปิดอบายได้ถ้าเป็นบรรยุเป็นพระสวัดาบันได้บาปกรรมที่ทำมาหนักมากน้อยเพียงไรก็ไม่ต้องไปใช้ คำถามจากคุณธีรชาติกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าสมมุติมีผู้ร้ายเข้ามาปล้นบ้านเราและกำลังจะทำร้ายเราด้วยอาวุธและในมือเราก็พอดีมีอาวุธที่จะตอบโต้แต่ในที่สุดเราไม่ทำและปล่อยให้ผู้ร้ายทำร้ายเราเหตุการณ์แบบนี้จะเรียกว่าสละชีพเพื่อรักษาธรรมได้ไหมครับ ถ้าไม่ใช่อย่างไรคือการสลัดชีพเพื่อรักษาธรรมครับก็ถูกกรไงเพราะว่าเราไม่ต้องการทาบาปเราต้องการรักษาศีลธรรมเราก็เลยยอมให้เขาฆ่าเราอย่างพระพระอะไรนะพระโมคคัลลานะท่านก็มีวิธีที่จะทำให้ท่านไม่ต้องตายท่านมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แต่ท่านก็ไม่ใช้มันท่านยอมใช้รับกรรมท่านไม่อยากจะหนี แต่นี่คนลกรณีกันนี่นี่ยอมตายเพราะว่ายอมรับใช้กรรมเรายอมตายเพราะเราไม่อยากจะทำร้ายเขาก็เป็นเพราะเราต้องการรักษาศีลไม่ต้องการทำปานาติบาตอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการฉลาชีพเพื่อรักษาธรรมนะคําถามจากคุณแธมมี่ตอนบวชควรบวชวัดที่ชอบหรือบวชวัด ที่พระอาจารย์ที่เราเลื่อมใสศรัทธาที่สุดแต่วัดอาจจะไม่สงบครับเราต้องการผลประโยชน์อย่างไรจากการบวชเราก็ต้องดูตรงนั้นถ้าเราต้องการบวชเพื่อให้ได้ธทำเราก็ต้องไปหาวัดที่สงบที่มีอาจารย์ที่สอนให้เราปฏิบัติจิตของเราให้หลุดพ้นได้ถ้าเราไปบวชกับพระที่เราชอบแต่เป็นวัดที่ไม่สอนเราไม่ให้เราปฏิบัติให้เราหลุดพ้น บทไปก็ไม่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดงั้นเราต้องดูผลที่เราต้องการว่าถ้าเราไปอยู่ที่นี่แล้ว เ, เราได้ผลที่เราต้องการหรือไม่ถ้าไม่ได้เราก็อย่าไปให้เสียเวลาเหมือนเราไปซื้อกับข้าวเนี่ยเราก็ต้องไปที่ตลาดใช่ไหมเราไปที่ไปที่ร้านขาย อ, อะไหล่รถยนต์นี้มีกับข้าวให้เราปะ เวลาเราไปซื้อของเราก็ต้องรู้ว่าที่เราต้องการมันอยู่ตรงไหนของที่เราต้องการมันอยู่ตรงไหนถ้าต้องการกับข้าวก็ไปตลาดสดหรือไปฟู้ดแลนด์นี้เขาก็มีกับข้าวขายถ้าต้องการอะไหล่รถยนต์ก็ไปร้านขายอะไหล่รถยนต์อันนี้ก็เหมือนกันการบวชก็เพื่อบวชเพื่ออะไรสมัยนี้มันบวชด้วยหลายสาเหตุบวชเพราะอยากจะเอาใจเจ้า ว, วาก็ไปบวชกับเจ้า ว, วาที่เราจะเอาใจเขา บวชเธื่ออยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ก็ต้องไปบวชกับอาจารย์ที่สอนให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์เนี้เราก็ต้องดูว่าการบวชของเรามีเป้าหมายอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ไปเลือกที่ที่จะให้เราได้รับเป้าหมายของเรานี้คำถามค่อนข้างยาวครับจบได้ไหมเดี๋ยวพยายามครับคำถามจากคุณสมศักดิ์ครับคือคุณสมศักดิ์เป็นคนที่ชอบ นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมทั้งเช้าและเย็นนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559แล้วพอเรามีวันหยุดยาวๆก็ชอบไปปลีกวิเวทวิเวทอยู่ที่วัดก็จากจากเดิมที่เป็นคนโกรธง่ายดีใจง่ายเดี๋ยวนี้ก็โกรธน้อยลงดีใจน้อยลงแล้วรู้สึกตัวมากขึ้นครับเขาก็เลยถามว่า แต่หากว่าพอเราได้ทาบุญบริจาคทานหรือเห็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใจผมจะอิ่มเอมและน้ำตาไหลจนขนลุกทุกครั้งครับอาการที่เกิดขึ้นกับผมเขาเรียกว่าอะไรครับก็ปิติไงการที่เรามีหลังน้ำตาเนี่มันมีหลายสาเหตุหลังเพราะความเศร้าโศกเสียใจก็ได้ หลังเพราะมีความดีใจก็ได้บางคนได้ของอะไรที่อยากได้นี้ดีใจจนน้ำตาไหลก็มีฉะนั้นการหลังน้ำตานี้ถ้ามันไม่เป็นเรื่องของความทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ามันเป็นเรื่องของความทุกข์เราก็ต้องแก้มันที่เราหลังน้ำตาเพราะเราเศร้าเสียเสียสิ่งที่เรารับไปอย่างนี้เป็นความทุกข์ใจเราก็ต้องตัดใจต้อง อย่าไปเสียดายอย่าอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เราสูญเสียไปปล่อยวางยอมรับความจริงเราก็จะหายจากความเศร้าโศกเสียใจได้แต่ถ้าเป็นความปิติยิยนดีได้อะไรที่เรารักเราชอบเห็นอะไรที่เรารักเราชอบแล้ว เ, เกิดน้ำตาไหลนี้ไม่เป็นไรเพราะมันก็แป๊บเดียวเดี๋ยวสักพักมันก็ผ่านไปไม่เป็นความทุกข์น้าตา น้ำตาสุขกับน้ำตาทุกไม่เหมือนกันถ้าน้ำตาสุขปล่อยมันหลังไปถ้าน้ำตาทุกก็อย่าปล่อยให้มันหลังไปคำถามจากคุณจินดาการที่เราทำงานฝีมือเพลินจนลืมเวลาถือว่าได้ทำสมาธิไหมคะคือสมาธิในภาษาของพระกองของทางโลกมันความหมายไม่เหมือนกั น, นเวลาเราทำงาน มีอย่างต่อเนื่องไม่ไปทําอย่างนู้นอย่างนี้จนลืมเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเราไม่ได้เรียกว่าสมาธเิเราเรียกว่าสมาธิในการทํางานแต่ความจริงแล้วมันแต่ทางพระเราแปลว่าเป็นสติมีสติจดจ่ออยู่การทํางานไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ไปสนใจเรื่องอื่น ส่วนสมาธิจริงๆนี้ต้องนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจหรือพุโทโธไปจนกระทั่งจิตนิ่งสงบไม่รับรู้อะไรไม่คิดอะไรทั้งนั้นจิตว่างอยู่ตามลำพังเป็นอุเบกขาถึงจะเรียกว่าสมาธินั่นคำคำคำเดียวกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันและพูดกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่เข้าใจกันที่ขาพูดถึงนี้มันไม่ได้เป็นสมาธิเขาเรียกว่ามีสติ มีสติอยู่กับการทำงานแต่เป็นสติที่ไม่ใช่เป็นสัมมาสติสัมมาสติคือสติที่จะทำให้ใจสงบสติแบบนี้ไม่สงบเพราะใจยังต้องคิดกับงานที่ทำอยู่จะทำให้ใจเหนื่อยทำงานเป็นนา น, านถึงแม้จะมีสติอยู่กับการทางานมันก็จะเหนื่อยแต่ถ้ามีสติแบบสัมมาสมาธินี้จะไม่คิดจะรู้เฉย เช่นทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนี้ให้รู้เฉยๆได้ไม่ต้องคิดจิตจะสงบจิตจะเย็นกว่ากันหมดแล้วอยังมีอีกสามข้อครับเอาเวลาหมดนะครับิดว่าแค่นี้ก่อนนะไวโอกาสหน้าค่อยถามใหม่ ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิเนตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ